เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องเหตุเกิดในบริษัทคอมพิวเตอร์หัวหน้าฝ่ายขายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง เธอเล่าเรื่องที่ลูกค้าโทรมาต่อว่าให้ฟังลูกค้าพูดว่าเรื่องคอมพิวเตอร์คุณนี่ห่วยมากผมมาเสียงเงินซื้อไปตั้งเยอะแล้วพอโทรมาสอบถามพนักงานขายของคุณก็ดันตอบไม่รู้เรื่องหัวหน้าฝ่ายขายได้แต่ตอบว่ามีปัญหาอะไรให้ดิฉันรับใช้ได้คะช่วงนั้นเสียงสั่นเครือมากด้วยอาการที่หวาดกลัว จะถูกลูกค้าว่ากลับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะ่ะรายงานผลว่าซีตุบซีตุบผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเธอก็ไม่รู้ว่าไอซีตุบซีตุบเนี่ยมันคืออะไรช่วงนั้นก็น้ำตาเกือบไหลเพราะกะว่าถ้าตอบปัญหาลูกค้าไม่ได้จะต้องถูกไล่ออกแน่เลยตูจนกระทั่ง เธอพูดว่าคุณลองสะกดคำว่าสีตุ๊บสีตุ๊บหน่อยสิคะว่าสะกดยังไงลูกค้าตอบด้วยความมั่นใจว่า S, S E T U P S E T U P พอได้ฟังดังนั้นหัวหน้าฝ่ายขายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ก็หัวเราะจนหงายท้องตกเก้าอี้ไปเลยคำว่าเซตอัพหรือที่ลูกค้าเรียกว่าซีตุกหมายถึงการติดตั้งระบบหรือติดตั้งโปรแกรมเรื่องนี้สอนว่าอย่าเพิ่งวิตกไปกับปัญหาที่คิดว่าแก้ไม่ได้มันอาจจะแก้ไขได้ง่ายกว่าที่คาดคิดไว้มากเหลือเกิน